บุ๊กท35ามสิห้าซที่สนามบินดาร์ฟอรูดก้ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะแมนมีขอห้มยิคเป้วัดไปเอเธนรีเซิร์ฟคุณอํา นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอินเยก์พาร์โวส์มุสตากีมัสขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะโรดฟันเยกซานเดลีเค ر นร์เพนเจอร์บรอยเอควีซิการิฮ่าดิฉันขอยืนยันการจองค่ะแมนมีข้าห์ผมเบลีเต้รซฟช่วยอมราอดค ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะมันมีค้ามเบลีทรีเซอร์ฟชุดเดมราคันเซลก่นดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะมีค้อ هم าม ر อริฟวลซาเธอร์บลีทัมเราถ่ายรดฮมเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะภาวะต่อไปไปโรมช่ามวนี ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะดวงจอดีเคาลิสไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะน่ะนะมอฟารัสเยกจอยขลิดาริเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะเคย์ฟร์ดมิอมเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ ใช่ดาร์มาควาดฮรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ چه موقع یک اتوبوس به مرکز شهر می رود นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ این چمدان ش م ا มาสนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะอินคีฟโชมาส นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอิน و س ส ی ل س ยล ش م ซาฟาร์ชมาสดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะเชเมกดอร์บอร์มีทวานมบโคตเบียรวรามี่สิบกิโลกรัม20คิลูอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะ